ยิ่งละาเท่าไรท่านยิ่งละาเท่าไรยิ่งรวยนี่เรียกว่าล่ารวยนะแตยิ่งล่าเท่าไรก็ยิ่งรวยไหลเข้าไปหาท่านมากม า, กายกายกองไม่อดเครื่องอยู่เครื่องกินไม่อดไม่อยากอะไรของน้องของถือไม่อดไม่อยากติด อ, อะไรเลยเอาไปแกะวัดยากจนเท่าไรมากมายกายกองแม่แต่เราก็ได้เคยรับ สงขค อ, อนุเคราะห์จากท่านท่านเมตตาไปหาเราท่านพูดไปหาเราไม่ได้ไปธรรมดานะไปสังเกตการหรืออะไรก็ไม่รู้เลยแต่ว่าท่านมีเมตตาเรากราบเราไหว้เสร็จแล้ ว, ล ว, ว, ลวจึงค่อยบอกมาเอออยู่ในรถมีไก่ท่านหลายสิบตัวนะออไก่ย่างท่านมาพบไก่ย่างอยู่ที่ท่านซื้อเอาไก่ย่างให้เขาซื้อไก่ย่างมาให้แล้วกล้วยเต็มรถ กล้วยไข่เต็มรถเาขาลามหรืออะไรมีเต็มรถมาโอ้ให้เขาไปเจ็บเข้าโรงกลัวได้ตั้งมีไก่ตั้งเจ็ดสิบกว่าตัวคนละเจ็ดสิบกี่ตัวเนะาะเขานัดเจ็ดสิบกว่าตัวละ่ะเจ็ดสิบเก้าหรืออะไรมากมายแล้วกล้วยไข่นับหวีไม่ได้นับเครือไม่ได้เต็ม อ้าวท่านไปแล้วทํำยังไงแล้วมันมากมายกินไม่หมดรวยหลายวันนี้กินไม่หมดเอาไปแ ก, กเอาไปแกะนะแกะวันนี้ละวัดนั่นนะวัดนั้นนะวัดค่ายนะวัดทบามหปูนะวัดท่ามหาปูคงได้แล้วท่านไปให้ละว่างวัดค่ายทหารวัดดอยเอ่อโนนวัดทำแกลวัดอะไรเอาไปแ ก, กเอาไปแกะแ ก, กให้หมดแกะให้หมดเอาเหลือไว้เฉพาะเลียงพลาวันเดียวพอละ ว, ว่า แนี่ยอันมีความเมตตาปราณีขนาดท่านท่านไม่เก็บไม่กรรมไม่กอบไม่โยไม่โกง ไ, ไม่กินได้อะไรมาก็ไปแนแกะงูแก่กแกกเพื่อนอยู่อย่างนั้นนะเท่าที่สังเกตเห็นท่านเป็นอย่างนั้นเลยมาท่านเสียสละเท่าไรไม่เก็บไม่คาเท่าไรทำบุญเท่าไรยิ่งไหลเข้าไปหาท่าน หลเข้าไปไม่ขาดสายเลยอย่างนี้ที่ท่านปรารถนาอยากจะช่วยชาติสร้างอะไรพระปาช่วยชาติจะได้อดอลลาร์ก็เอาได้เงินตราธรรมดาก็เอาได้ทองคำก็เอาเอาไปสมยัยเอาไปช่วยชาติสลึงหนึ่งท่านก็ไม่เอาเลยอย่างนี้นั่นแผ่นเสียตลาขนาดนั้น ถ้าเป็นนักบวชจริงๆเสียสละได้จริงๆไม่มีกิเลสไม่มีความอยากใดๆแล้วทําอย่างนั้นดีมากอพวกเรานี่มันบุญน้อยวาสนาน้อยก่าวถ้อยไม่ได้ยินตกเบ็ดไม่ได้กินเพราะเหยื่อไม่ชอบใจปลานั่นเองพ <c> ว <ười> กเราทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าศีลของเราดีหรือเปล่าสมาธิของเราตั้งมั่นหรือเปล่า ปัญญาของเราลอบรู้ในกองทงขารหรือเปล่าเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญานะ้เป็นพระที่ดีขึ้นมาได้นะท่านว่าอย่างงี้นะถ้าไม่มีศีลอยากเท่าไรอยากรวยเหมือนท่านมันก็ไม่รวยเพราะเขาเห็นอยู่ญาติโยมทั้งหลายเห็นอยู่ปัฤจุปฏิบัติศีลเพราะกรรมกาเดีเว้ยไปวัดกับไป คืนไม่ได้ออกไปเฉยๆแต่เห็นการกระทาของพระแล้วมันเอ่อมันตะกินตะขวงใจยังไเงเขารู้นะญาติโยมเขารู้นะแต่ว่าคนไม่มีหลิลิไม่มีโอตปะทำอะไรอะไรก็ททำไปตามอำ น, นาจกิเลสของตัวเองอย่าเข้าใจว่าญาติโยมจะไม่เข้าใจน ะ, อ ะ, อะเอามาเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องหลายๆราว เขาเห็นเขาเห็นพระกินเมียเขาก็เอือมละอาเขาเห็นพระกินเข้าเย็นเข า, เเขาก็เอือมละอาเขาเห็นพระกินนมโอนดินตอนเยน็นเขาก็เอือมละเหล่านี้แหละพระเราไม่สังวรระวังทําลายสินของตัวเองทําลายรสนิยมของตัวเอง ทำลายภาพคดลดนิยมของตัวเองไม่รู้สึงตัวอย่างนี้เป็นตน้นไปหาอ ะ, อะไรอะไรไปหาหลอกนะรวมชาวบ้านชาวเมืองเขาเหล่านี้กับญาติโยมเขาเ อ, อ, อื่อมละอาเอื่อมละอาจริงๆมางานบุรภาจารย์ก็ไม่ได้มาเฉยๆมาแล้วก็ต้องการ ลาบตะกาละไปแล้ววันนี้ยอัยอามาไม่มีเกินค่ารถไปอยู่ไกล้หลายจังหวัดขอญาติขอยขอยนลอยเถอะขอขไปเรื่อยไปอย่างนี้ทำให้ญาติโยมหนักใจเหมือนกันนะได้สิ่งได้ของที่เขาถวายมาไม่อยากถือไปไปหาจำหน่ายจาย่ายแจกอยู่ตามตลาดอย่างนี้ก็มีนะ มแเมือง น, นี่ไม่เป็นดอกทางเมืองเลยเป็นนะได้ของเวาใหายเป็นถังสังกทสานเป็นอะไรเป็นป้าใหยีออนเขาให้บาทเบมิดได้ก็มีบางเดีกห์ได้จากหินมกเป่งได้จากอะไรเอาไปขายขายได้เงินก็เอาลำลองนี่ดูสิญาตโยมเขามองแล้วเขาจะว่า ย, ยังไงมีความเอื่อมลาหรือเปล่าทำอย่างนั้นน่ะ ไม่รักษาศรัทธาไทยเลยเอาให้ไปแล้วอะไปหาจำนายจ่ายแจกเอาใจเงินตอนเล่นพอเอาเงินมีวัยาวัชกรถือไปให้ก็ยังคอยชั่วหน่อยพ่อ้องกันลายหน่อยญาตยงเป็นคนถือให้ขึ้นรถกึนลายญาติ ย, ยงเป็นคนจ่ายให้อย่างนี้ก็ไม่น่าหายเท่าไรหรอก แต่ว่าพอคืนรถขึ้นลาแล้วจงออกมาจับย่ามมาแจกให้เขามาจ่ายให้เขาค่ารถค่า ล, ลาอันนี้ก็เรียกว่าเปิดเปิดผ้าให้เขาดูพอดีแหละแน่แน่แนพอวันนี้ละเปิดพูดง่ายๆเราเปิดคอยให้เขาเบิงก็แล้วกันเปิดถาให้เขาเบิ้งกันแล้วกันเพราะเขารู้วินัยเนี่เขาได้นับจาตีทําโตทําเอกมาแล้วพระคุณเจ้าทําอย่างนี้ แต่ว่าเหยียบย่ำพระวินัยเขาก็รู้รู้อยู่แต่เขาไม่พูดพอพูดเวลานั้นพระคุณเจ้าอาจตีปากก็ได้นะแต่พระคุณเจ้าเป็นธรรมดาพระคุณเจ้าเออนุ่งเหลืองงมเหลืองก็งจริงถ้าพูดผิดใจละตีโยมก็ได้แล้วอ่าเพราะอยนั้นก็เลยเฉยไปเฉยตามเฉยไม่ทักไม่ท้วงมันไม่กล่าวกันเลยอย่างนี้ญาติโยมก็เหมือนกัน สนับสนุนเหลือเกินพระคุณเจ้าทำผิดก็สนับสนุนอยู่อย่างนั้นละ่ะพระคุณเจ้าเจ็บเงินเจ็บทองเอาเองอไปถวายท่านเองอไม่มีวัยวัทกรไม่มีคนจับคนใจให้ก็ถือก็ไปสนับสนุนท่านอยู่อย่างนั้ น, น่ถวายท่านถวายท่านเข้าไปท่านได้เงินเป็นพันเป็นหมื่นขึ้นไปเป็นแสนขึ้นไปท่านเจ็บเองเราเอง ท่านคิดคึกขึ้นมาเมื่อไรท่านจะเข้าตลาดก็ได้นี่นะนุ่งแต่งตัวอย่างไงจะเข้าที่ไหนก็ได้ไปเที่ยวครับเที่ยววาก็ได้เพราะเงินอยู่กับเราแล้วไปซื้ออะไรกินก็ได้ซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินที่ไหนก็ได้ไปเที่ยวเทคเที่ยวเถอะก็ได้เนี่ยสมนำหน้าไหมหล่ะญาติโยมสนับสนุนพระให้มีเงินมีทองไม่รู้จัก ไม่รู้จักพระทำผิดทำถูกพระทำผิดไปยังสนับสนุนยิงแั่นล่ะเอาเงินให้ท่านเออท่านไปใช้ไปจ่ายยังนั่นล่ะท่านนได้มากมากแล้วท่านไปเทียเท่ยวพักเที่ยววาไปเทียเท่ยวแทกเฮ้ยก็สมนําหน้าโยอมมาดียอมสนับสนุนเปล่าไปไปเดินทาปิดไปกินเหล้าเมามาอยู่ตามตลาดมันก็มีเยอะแยะอยู่นะ เพราะญาติโยมไม่สนับส น, นุนไม่ทวงติงว่าถ้าทําผิดก็ทวงติงกันบ้างเสียหลวงปู่ <c oughs> ฟั่นท่านว่าพวกเราพากันหาเศกขาสวดตั้งแต่ติดแต่หินแต่ทองแต่โลหะทั้งหลายมากันเศษมะบุกเสษที่นั่นบุกเสษที่นี่เออพระ เดินก็ดีพระทองก็ดีพระจิตพระปูนก็ดีฟากันไปปลุกไปเสกเรียกว่าพุทธาพิเศษกันทุกคนทุกแห่งละ่ะอ่ามีมนกันอยู่ไม่รู้จะจบจัะสิ้นแต่พวกเราไม่ค่อยเสกตัวเองเวทอ่านว่าเนี่ยนะไม่ค่อยเสกตัวเองเว้ทการพูดภาษาง่ายๆแล้วมีคนอยู่ใกล้คิดถามท่าน เอาอะไรเสกล่ะหลวงปู่เอาอะไรเสกล่ะหลวงปู่ครูบาอาจารย์เอาอะไรเสกตัวเองล่ะเออ น, น, น, น, น, น, นั่นนะสี่แต่รูว่านั่นพีต้องสนใจจึงจะเข้าใจนะต้องเสกตัวซะก่อนเีก่อนจะไปเสกอย่างอื่นเสกตัวซะก่อนเสกตัวเองเอานะ พระพุทธเจ้าบอกไว้อาทิศีลสิกขาสิกิตต บ, บาเดออาทิจิตสิกขาสิกิตต บ, บาเดออาทิปัญญาสิกขาสิกิตต บ, บา <c oughs> อันบอกว่าให้เอาศินเสกตัวเองทีหลักฐานสินเนี่ยมันบริตอืี เนี่จะเป็นพระขึ้นมาได้แล้วมีจิตกติกาคือสมาธิตั้งมั่นที่เมื่อสิ้นแล้วก็มีสมาธิตั้งมั่นอย่าหวั่นไหวกับสิ่งใดๆทั้งนั้นโลกก็ทำถูก้องไม่หวั่นไหวใจตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่เสม อ, อม อาทิกิตติค้าสิกิตตวาเนี่ยทำใจให้เป็นหนึ่งไม่ได้จะมีสองอาทิย์ปัญญาสิกขาสิกิจตวาถ้าใจสงบแนว่วแนว่แล้วมันก็มีปัญญาละเนี่ยบาปบุญคุณโทษจะเกิดขึ้นมาให้เห็นได้ชัดน ะ, ะสว่างสวัยขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาไม่สงสัยอีกแล้ว ไม่ลูกคําอีกแล้วนี่ศิลธรมสมาธิปัญญาเนศเสกพระเดกเนนให้เป็นพระเป็นเนนดีๆพระอริยเจ้าท่านไปนี้พระโสดาพระสกิทาคาพระนาคาพระระังนั้ท่านก็นไปนี้ท่านเอาศิลธมสมาธิปัญญาเศกท่านดีใช่ไหมล่ะเออเ อ, อว่าแล้วก็หัวเรา ะ, ะ, ะนี่เอาตรงนี้นะเสกตัวเองนะ พราเราเอาสินสมาธิปัญญาเตกตัวเองส่วนอิฐปูนหินทรายทองที่ปั่นเป็นลูกเป็นพระขึ้นมาแล้วเป็นลูกพระพุธทธเจ้าก็นี้ลูกอะไรอะไรก็ดีจะเสกกั้นก็ได้ไม่เสกก็ได้เพราะท่านเป็นพุทธปฏิมากรเป็นอาจารย์ลูกาอาจารย์ลูกพระเทลานูเทละเขาจะกราบจะไหว้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้ว ไม่ต้องเสกสันลัเราเป็นคุณทุชนอยู่เรามีกิเลสหนาะปัญญาทึบอยู่จะไปเสกพระพุทธเจ้ามันจะถูกต้องไหมไม่ถูกนะลูกของพระพุทธเจ้าพวกเราไม่เสกไม่ค่อยถูกนะอะ่านมาไปอย่างนี้แหละถ้าพูดอย่างนั้นก็ถูกแต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นไปสัลเินไปสัลเซนเสริน สรเสริญพุติจ้าคุณพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระธรรมสรรเสริญพระสงฆ์ในพุทธคุณน่ะสรรเสริญหมดสหนพะขาวกันไป่เนอะไรศรลก็ดีเศรษก็ดีศรลก็ถึงศษบริสุทธิ์จิตก็ถึงจิตบริสุทธิ์ยาณัศนะก็ถึงญาณัฏานะบริสุทธิ์ อ่าสัมปั น, นโนยีปิโตประคะวาพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาก่อนทางนั้นถึงความว่าที่จุดปุตปองไปได้เน่ยไม่ได้สวดร้องไปสรรเสริญปรไปพร้อมกันปล ong เพลงสรรเสริญก็ว่าได้ไปพุทธาพิเศษไปเพลสรรเสริญพระพุทธเจ้าบารมีสามสิบทัศนไม่ได้สวดตรงไหนนะไปไปตรวจ ด, ดูซิไปตรวจในข้อ สวดดูสิไม่มีไม่มีสวดเศกตรงไหนมีแต่สรรเสริญดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้กระทามาก่อนทั้งนั้นท่านบา ร, รมีสีเราบารมีเหนกข็มาบา ร, รมีสมปันนอยทิวิวโนพระโค้ดอ๋อไม่มีบนเศกว่าไหนมีแต่สรรเสริญดังนั้นถ้าพูดไปอย่างนี้ก็แก้ความหาว่าเศกสวดหญินบูญณาได้อยู่ เพราะว่าสรรเสริญคุณพระพุท ธ, ธเจ้าเพื่อให้เป็นสักขีพยานกันได้รู้พิธีทองกันทำเป็นพุทธบูชาธรรมบูชากันจริงจริง จ, งจังๆก็กเลยกลายเป็นของขังขึ้นมาได้เหมือนกันนี่แหละเราท่นทั้งหลายวันนี้เป็นวันครบรอบวันมูลพาธา์ ได้เวียนมาตั้งยี่สิบกว่าปีหรือจี่ปีแล้วยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีหรือทยแล้วกำหนดวันบูรพาจารย์บูรพาจารย์ของเราได้พ า, าพุทธบริจัตประพฤตปฏิบัติในทางที่ถูกต้องทุดงข้อวัด ข้อปฏิบัติต่างๆท่านเด็กพัฒนาโูคณะมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากที่จุดวาจาลหลวงปู่สาหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ถิ่นนี่เป็นใหญ่ที่สุดหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ขาว หลวงปู่แหวนหลวงปู่ทั้งหลายทั้งปวงหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยหลวงปู่ทั้งหลายแต่ท่านเออดสู้มาโดยตลอดพบอุปสรรคนักปการท่านไม่ถอยหลังเลยอรับมันจะเป็นยังไงก็เป็นกัน<อ>เราขอเป็นพุทธบูชาธรร ม, มบูชาตนนี้พอพุทธปฏิบัติที่หลงข้อวัดเข่งคัดมาโดยตลอดเป็นตัวอย่างเป็นเนติแบบแผนที่ดีงา ม, มาโดยตลอด แล้วก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาในทางวัดป่ามีทุดงข้อวัดมาโดยลาดับมีจันท์มือเดียวมีบินบาบเป็นวัดมีป้าไตรตามฝืดเป็นวัดอยู่ป่าชาเป็นวัดอยู่อัปปูการเป็นวัดอยู่ป่ารกชัดเป็นวัดอยู่ตามร้ำดำงูเป็นวัดไม่ได้วันไวก็โกกกระทใดๆทางนั้น อ่ามปฏิบัติมาพื้นปฏิบัติเข้มขัดต่อธรรมวินัยมาในต่อธรรมวินัยมาโดยตลอดไม่หวั่นไว้จนหมดลงหายใจก็จทิ้งแตคบนความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ลูกหลานได้สืบต่อมาอันนี้พวกเราควรรักษาไม่ว่าพระคุณเจ้าพิจูตมาในก็ดี ไม่ว่าอุบาสกอุวาิกาก็ดีตั้งอกตั้งใจประพ็ญปฏิบัติตามรอยบาทหรือวรอยอแนวทางเดินของครูบาอาจารย์ให้เข้งขัดอย่าถอยหลังน ะ, อะถอยหลังกัมกุมพันธิเจดดากเนยับเข้าใกล้เจดดาษกุมพันธ์ไปตายนาพุทธเขาทียองว่าดี <c oughs> อย่างนั้นก็เองก็เหงได้าไทายเป็นได่อุบาจานท์ท่านทําอย่างนั้นให้พวกเราเป็นตัวอย่างพวกเราเห็นแล้วอย่ามาทําลายแล้วเบียบของท่านเป็นอันกาดอย่าทําลายแล้เบียบของท่านเป็นอันกาดแต่ก่อนท่านนั้นเข้มขัดมาก ถ้าฉันมือเดียวก็มือเดียวจริงๆไม่สอไม่สามละฉันอิ่มแล้วลุกจากอาสนะเราเป็นอันไม่เอาอะไรอีกแล้วว น, นั่นนะนอกจากน้ำปานะผลขับปอบสมอที่เกลือฉันเป็นยาตอนนั้นตอนคนนั้นไม่เอาอีกแล้วอาหารไอเด็กขาดหลงไปหรือบินบาบเป็นวัดท่านเล่าจริงเล่าจัง กับการประพฤติปฏิบัติมากถ้าไม่ได้บินาบาัตท่านก็จะไม่ฉันละไรเลยอ่เพ่อนันเจงเนี่ยจริงๆนะแต่ว่าพวกเรามันอติเลกกะลาโพ อ, อติเลกกะลาบมากยาิโยมมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหรือคุบาจา์มาก้าพระคุณเจ้า ฉันไปแล้วก็ดีเอ้ยตอนเช้าไม่ทันถ้าหรอกเอาตอนเพลนดีกว่าอาจจะทันท่านเรามีธุรกิจเนี่ยอาจจะทยอยกันมาล่ะยิ่วบินโตมาอลไมาโอ้ยวันนี้ฉันมาไม่ทันจะหนั้นไม่ทันข อ, อนิมนเพราะแม่ครูวาจยานเมตตาอนุเคราะห์หน่อยเธอ ของทำมาใส่ปิโตมีแต่ของดีๆทั้งนั้นา ń, ราคาแพงๆเสียเงินมาแล้วหละถ้าไม่ฉันให้จะเสียใจนะเนี่ยว่าเอาปยัดเข้ามาแบบนี้เลยละถ้าไม่ฉันให้จะเสียใจนะอหลวงพ่ อ, อยังองค์ที่พูดอยู่นี่ก็เออเออเอามาๆธนามาม า, ม า, ม า, ม า, มาต้องฉลองนะฉลองสตารเรอมัเ ก, ก็ตล้มตอนนั้นแหละล้มตอนญาติโยมมา ยืน่นคําขาดมาแบบนั้นทําให้ฉันให้ล่ะอีฉันเนี่ยจะเสียใจไปตั้งมากมานานแล้วเนี่ขึ้นมาลนะ่ะหรือผมจะเสียใจไปนานทีเดียวนะตั้งใจจริงๆแล้วนะปิโตเถาเนี่ยหมดเงินไปเป็นเกือบพันบนนะั้นเป็นพันๆบนนั้นะนะมีแต่ของดีๆตั้งนั้นละ่ะเสร็จมาแล้วเรียบร้อยฉุกมาแล้วเรียบร้อยตั้งใจอย่างว่าถว า, ายกุวาดานจริงๆเพราะเป็นงาน ใกลาวันเกิดครบรอบแต่ตอนเช้ามาไม่ทันครูวาดจานไม่สงเคราะห์เขานี่ก็แย่ละไม่เมตตาเขานี่เลยละเราเป็นคนเอาใจกันเออมาๆๆแต่มาๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาทำท่าหยิบนั่นหยิบนี่บ้างก็ให้สินให้พรบ้างอ่าให้สินให้พ ร, พรแล้วก็ดีอกดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสกลับบ้านแต่ว่ามันแน่นพอแรงแล้วลนะ่ะท้อง ตะกินได้อะไรเนาะได้แค่ไหนเราทําท่าจิบจิบจ็บแก๊บไปนย่างเนะอ่าจิบเจ็บแกบไปอย่างเงี้ยแล้ว <c ười> ไปางนนปนางนก็นเคยมันก็ไม่หิวอะไรหรอกจันมือเดียวก็ไม่หิวอะไรหรอกทํางานตลอดวันยังข้ามไปยังได้อ่าหามน้ำปัสสาวะอะไรไม่เมื่อยไม่หิวอะไรเพราะมันจริงมันเคยแล้วอ่านี่เป็นแหตุที่ไม่หวั่นไหว เป็นสันเลโข ổ. สันเลโขเป็นเครื่องผัดเป็นเครื่องเกาเกาจิตใจให้เมาให้บางลงได้มีความสันโดษมีความมักน้อยไม่ทะเยอทยานในอาหารไม่ทะเยอทยานในเสืออ้อผ้าผ่อนที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ได้เดือดร้อนน่าร้ายเป็นคน เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายขึ้นมาถูกต้องตามธรรมวินยัยท่านบอกว่าทำเราใดเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากยากใหญ่สะสมคของกิเลสทำเหล่านั้นไม่ใช่ทำไม่ใช่วินยัยไม่ใช่คําสั่งสอนของเราตถาคตนะเป็นไปเพื่อสะสมของกิเลสเป็นไปความมากๆ อยากใหญ่เราเนี่ยเป็นไม่ใช่คาสั่งสอนของผู้ดิจเจ้าไม่เป็นสั่งสอนเป็นคำสั่งสอนของเราตาาคตทำเราได้เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายสันโดษมัดน้อยไม่มกักมากดากใหญ่กับเขาเลยเป็นผู้สันโดษจริงจริงกๆอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตกันว่ากันนะอ่า ถ้าผู้ใดทำเหล่าใดก็หมายถึงบุคคลผู้ใดทำเหล่าใดหมายถึงบุคคลผู้ได้ภิกษุองค์ใดสามมาเนนองไ ด, มงไดแม่เขาแม่ชีคนไดาหากเป็นไปเพื่อความมากมา ก, มากอยากใหญ่แล้วไม่ใช่ทาไม่ใช่วินยัยไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราตถาคต เป็นลูกศิษย์ของเดียรถ์ถีนี่คนไปนอนนันน่นว่ากันนะแต่เป็นคนสันโดษมากน้อยมไม่ยามใหญ่นี่ทํา ม, มีทําได้เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายนุ่งน้อยหมน้อยอันนี้เป็นคําสั่งคําสอนของเราตาสาคตมีความสันโดษมากน้อย เปอย่างนั้นเป็นคำตั่งตอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเรามาันก็เหลือเฟืออยู่แล้วพวกเราเราพิจูสามเณรทุกวันเนี่ยวัดไหนวัดไหนอุดมสมบูรณ์ได้รับความอุปถัมภ์บำรุงจากผู้ว่าสกุปปนิกาเหลือเฟืออ่าเหลือเฟือตอนเย็นมากัด น, น้ําอะไรตด น, น้ำอะไรไหลเข้าไปโอ้ยแก้วหนึ่งแล้วของที่ฉันมาใหม่กินให้สั้งหน่อยเนะ หรือของกระผมมาใหม่ฉันให้สักหน่อยเลยฮะเยอะเหมืนละอันนี้แก้วหนึ่งอันนี้คึ้นแก้วสองแก้วสามแก้วรวมกันเข้าโทษทองมันดนึกจิตายที่มันนี่ย <c oughs> เรียกว่าเหลือเฟือเดี๋ยวนี้ญาติโยมเอาใจใส่ในทานอุปถัมภ์บำลุงพระคุณเจ้านี่มากมายไม่อดไม่อยากเลยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนก่อนสองครามโลกขั้ที่สอง เนี่ยเราเคยสัมผัสอยู่โอ๋สงครามโลกครั้งที่สองครูาาบาอาจารย์ลำบากเหลือเกินอ่าลำบากเก่งเสื้อผ้าพรกีวรสวงอากาศขาดกระลุ่งกระลิงตรับแล้วตรับอีกอยู่อย่างนั้นนะอ่าเพราะไม่ได้ไม่ได้อัติเลขอัติเลกกีวรไม่มีไม่มีแล้วนอกจากน้นละผ้าปาลึกรถินนนละข้าจึงจะได้เปลี่ยนครั้งหนึง่ง เปลี่ยนก็เปลี่ยนอง์เดียวส่วนองค์บริวารก็ลาบากอีกต่อไปอย่างนี้นะยากผ้าก็เขาทอด้วยไหมก็จริงจะต่าด้วยฝ้ายสายไหมเขาเลี้ยงไหมกันอยู่แต่เอาฝ้ายมาทอมันจึงจะได้เต็มผืนเอาผ้าฝ้ายทอด้วยไหมเอ า, เอาสายอือา คือหูตั้งด้วยไหม่จริงแต่เอาผ้าควายมาทอวันนี้แม่ผ้าควายมันกหนาตึมเตี่ยวหนามากๆเลยเวลามาตัดสมองจีวรมาริยอมเลยช่วยกันปั้นหน่ยปั้นกันมาปั้นอย่างนั้นหนกักหอมอยู่อย่างนั้นแหะถ้าตัดเป็นสองชั้นสังฆาติสองชั้นแล้วกันเรียกว่าท่วมหูไปเลยหนกักมาก ลำบากขนาดไหนท่านก็สู้ของท่านมาอยู่เรื่อยๆไม่ไม่หวัน่นไม่ไหวใดๆตั้งนั้นสงครามโลกข้างโรนใต้พื้นได้ไฟก็ไม่ได้ อ, อยู่มืดมืดท่านก็อยู่ได้จุดเทียนจุดเทียนไขใสโคมแทนตะเกียงถ้าเครื่องบินมาแล้วก็ดาบมืดง ม, มืดกันไปอยู่อย่างนั้นนะลำบากขนาดไหนอย่างนี้ท่านก็ทน พอละามานกันอยูอ่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยสบายถืนเช้ามาสวางตะกอนจึงไปบินตาบาดไปบินทบาดญาติโยมทั้งหลายก็ตุลักตุเลเพราะว่าไม่สงครามสมัยนั้นสํมมาหาจินก็ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรอดๆกยากๆลาบากอยู่อย่างนั้น ท่านก็ทนได้ไม่มีอะไรกิ น, กน เ, กเกลือข้ากล่เกลือมากินได้พริกมาเอาพริกมาหาั่นใส่ถ้วยใส่ถ้วยแลซ ะ, ะถ้ามีน้ำบูนน้ำปลากระเทลงสักหน่อยเอามะขามเปียกมาปอกลงจ้ำกินกันอยู่อย่างงั้นอร่อยดีดหิวหิวมาอร่อยดีไม่หันไวเลยเก็บผักในป่าผักติ้วบ้างผักกระโดนบ้างผักอะไรอะไรผักปูดผักน้ำนอยู่ตามป่าตามห้วย เอาให้มาแม่เขาให้ทีมาต้มมานึ่งมาแกงให้กินก็ยิ่มนําสำลานกันไปพออยู่ได้ถึงจะดูผักหวานมานี่โอ้โชคดีหน่อยเก็บผักหวานมาแกงกันเลี้ยงกันกินผักหวานผิดกินผักหวานเบือ่อผักหวานเมาตายกันก็มีสมัยแม่เขาสังอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ ป่ากันตายกันไม่มียาแก้เรื่องนี้ยตายเบื่อพังหวานไปดูเห็ดป่ากันเจ็บเห็ดมาแกงมัลุดไม่รู้ว่าเห็ดอะไรอะไรในป่ามาหมดแกนเพื่อเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าเลี้ยงไว้เขาแวดีแกงไปแล้วมันมีเห็ดเมาอยู่ในนั้นเห็ดละโง่ขาตันเออนี่อันตรายเลยจิ้นตายกันเป็นแถวอย่งนี้ละอย่างนี้ท่านก็ทนได้ของท่าน หม่วันไหวดังนี้ได้ประสบประการกันมากันบ้างกูวาจานลําบากขนาดไหนท่านก็สู้ได้ไม่ถอยถือวัคติว่าถอยหลังไม่ได้ถอยหลังหลออกล่อมนะถอยหลังกับกุมพันสิเด็ดดาดต้องยับเข้อไป่ยับข้อไก่เด็ดาดกุมพันธไปต่ายนาพุ่นเขาที่น้องย่องว่าดีหนุ่มไยเรื่อยไป ค, ครองทับทําไม่ต้องร้อยหลังตั้างมั่นยอมเสียสละตายเสียสละชีพเพื่อศาสน า, า, าอุทิศชีวิตถวายพระพุทธเจ้าอุทิศชีวิตถวายพระธรรมอุทิศชีวิตถวายพระสงฆ์รัตนตรัยนี่เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถวายชีวิตเลือดเนื้อต่อพระพุทธประธรรมประสง์ เพราะฉะนั้นขอให้จิตใจของเราจงมั่นคงแล ะ, ะเยือกเย็นเป็นสมาธินะการบัดนี้เธออธิษฐานอย่างนั่นบ่อยๆใจมันก็ดิ่งลงไปเลยดิ่งลงไปเลยดิ่มดำลงไปเลยได้คุณธรรมขึ้นมาใจสงบลงไปแล้วเกิดปิติสุขเอกาตาจิตขึ้นมาได้กำลังใจขึ้นมาเต็มที่ จิตใจก็สว่างสวัยเกิดสติปัญญาเหลียวฉล า, าดรูด้จักข้ออัดข้อทำมากมายขึ้นไปอ่านในตำรับตำรามันก็ตรงกับที่เราประสบมาเหมือนกันเออสิ้นสงสัยตำรับตำราเขามีดูในพระปริยัติธรรมก็ตรง ก, กับปฏิบัติธรรม ท, ที่เราทำอยู่เขาพลื่มใจใหญ่หญแม่มันเป็นจริงอย่างว่าเว้ย ท่านไม่หลอกลวงเราเรากระสบประการเองแม่ติด<ม>สงใจยแล้วพระท่านก็เอาธรรมะที่เกิดดากวิเวกนั่นแหล ะ, ะได้วิเวกในความสงบนั่นแหละมาสอนพวกเราสืบกันมาเท่าทุกวันนี้โุวะอาจารย์ท่านก็ไม่ได้เล่าเรียนศึกษาได้พระปริยัติธรรมนักธรรมเฉตโทเอกหนาะ